เทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็าเทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายกานแม่เนื้อหากินเพิมแล้วนายทานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่าใครเป็นคนย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 บำรงถูกจิตถูกบำรงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องรุนหลังงั้นไม่หมายอะไรทั้งนั้นจิตลิเลีดเหมาะในเวลาชุด น, นั้นบางทีทำท่าจะเป็นพระรอรหันต์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทาท่าไม่ใช่เป็นพระรอรหันต์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้นร้วน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 นั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วนความบริสุทธิ์โดยทิ้นเชิงเรื่องกระตายปืนโตัหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละพระยาลากษสีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาศาสนาก็หมายถึ ง, างาศาสตร์องศาตาประกาศสอนโลกเรียนให้มันถึงความจริง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 เราจะไปหาปรมามังสุขขังที่ไหนทําำจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นมันก็ปรมามังสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้จะเป็นชื่ออันนเลยถ้าในชื่อปรมามังสุขขงังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมามังนี่ปรมามังไม่มีปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิม่มนำทำลาย น, นะแต่ประกาศด้วยประกาศว่าเราทานอิม่มนั้นะกดท้ามันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในธานในขันตัวเองนี่ อะไจะกว้างขวางย่กว่ามหาสมุิมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไหวนี่มากมายการกองอันนี้แหละวกว้างกว่ากว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวม่ไแหวกว่าเป็าอนันเราเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าพระทวามเกิดแก่เจ็บตาย ปัญหาตัางๆของมันวันนี้แสดงเป็นควานรู้สึกหนึ่งเลย <laughs>